สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะสำหรับพลเมืองดีมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะนั่นก็คือว่าถ้าหากเราแจ้งเบาะแสแล้วเราสามารถที่จะรับส่วนแบ่งได้ถึง 50% ด้วยกันนะคะ โดยเรื่องราวจากนี้ไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เป็นการรักษาความสะอาดแล้วก็ความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองน ะ, ะจะเป็นเป็นในข้อใดนั้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงของรายการมุมมองข่าวช่วงนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงจากรายการกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงแรก มากมายอาจยังสงสัยหัวใจดวงนี้อาจมเห็นสายตาแห่งความหวงดีแต่เธอก็คงเข้าใจมสักวันอาจมีใค ร, ใครที่ดีกว่า จะมีคนที่เธอใฝฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอเป็นคนเดียวยาวันนี้เพื่อ เ, อเธ อ, อเพื่ อ, อตลอดไปจะเอาความรักที่มีเก็บไว้ รอคอยวันที่เธอมองผ่านมาอาจจะมีเวลาที่เธอต้องการอีกนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคนยังฉัน จะมีให้เธอเป็นคนเดียว เธอมองผ่านมาอีกนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแธอเพื่อเธอเท่านั้นด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคนอย่างฉันกับวันเวลาที่ยาวนานคงจะพอให้รอเธอและคงจะทำให้เธอได้รู้ คุณผู้ฟังคะกองปราบปรามอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นระเบียบของบ้านเมืองคะ่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครเจอข้อ8ดข้อที่คนทำผิดนะคะสามารถที่จะแจ้งจับรับส่วนแบ่ง 50% เปอร์นจากค่าปรับได้เลยนะคะโดยการกระทำความผิดด้านต่างๆถ้าพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนและผู้ที่ผู้ที่แจ้งนั้น ก็จะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับนะคะก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือข้อแรกระคการปล่อยสัตว์อุจลาในสถานที่สาธารณะแล้วเจ้าของไม่เก็บอันนี้ถูกปรับ500บาทคุณผู้ฟังสามารถแจ้งแล้วได้ส่วนแบ่ง50เปอร์เซนต์เลยนะคะข้อที่2คือการพ่นสีหรือขีขดเขียนกำแพงในที่สาธารณะถูกปรับ 5,000 บาท การที่รถบรรทุกทําหินทรายหรือดินร่วงหล่นบนท้องถนนถูกปรับ 3,000 บาทการแต่งรถหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนนถูกปรับ 5,000 บาทการจอดรถบนทางเท้าถูกปรับ 5,000 บาทอันนี้รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าด้วยนะคะอีก 1,000 บาทการขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์บนทางเท้าค่ะ การทิ้งซากรถบนถนนหรือที่สาธารณะถูกปรับ 5,000 บาทและข้อที่8คือการวางสิ่งกีดขวางบนถนนถูกปรับ1นึ่งบาททั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกองปราบปรามนะคะได้มองว่าความผิดเหล่านี้ถึงแม้บางคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าการทําความผิดเหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ทุกคนต้องยอมรับกันแล้วจึงต้อง นะคะใช้กฎหมายค่ะในการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผู้แจ้งนะคะใน8ข้อนี้จะได้รับส่วนแบ่งรอยละ50ของค่าปรับค่ะ นี่ดิฉันอ้างอิงมาจากพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพุทธศักราช2535มาตรา48และมาตรา51นะคะและในเรื่องของการแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชนนะคะติดตามได้ที่เฟ e บุ๊กกองปราบปรามค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้แจก 1,000 บาทนะคะให้กับคน10ล้านคนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยใช้ชื่อมาตรการว่าชิมชอบใช้รับเงินเป่าตังหรือว่า g w a วเลตนะคะล้านคนโดยผู้ที่ที่จะรับเงินเป่าตังนี้จะต้องลงทะเบียนรับสิทธ ทางเว็บไซต์ w w w c h i m s h o p c h บชิมชตั้งแต่วันที่23กันยายนคือเมื่อวันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของปีนี้ค่ะโดยจะรับลงทะเบียนวันละหนึ่งล้านคนต่อเนื่องทุกวันจนครบ10บล้านคนนะคะเงื่อนไขในการเข้าร่วมมาตรการ shop ชิมช้อปช้หรือว่ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะคะ คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนและต้องมีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมลที่สามารถติดต่อได้ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะก็เข้าไปที่ w w w w e b ว h i m s h o ช c h a i ใช้ com นะคะตั้งแต่วันที่23กันยายน ของเมื่อคืนนี้นะคะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนและก็จะรับลงทะเบียนวันละ1ล้านคนนะคะมีการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์และอีเมลพร้อมเลือกจังหวัดที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์นะคะซึ่งก็จะไม่ตรงกับจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้านค่ะ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วระบบก็จะยืนยันให้ทราบทันทีนะคะท่านลงทะเบียนเรียบร้อยภายใน3วันท่านจะได้รับการยืนยันรับสิทธ์ทางอีเมลและ SMS ค่ะแต่ถ้าลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะระบบก็จะแจ้งให้ทราบทันทีค่ะว่าจำนวนการลงทะเบียนวันนี้เต็มแล้วนะคะแล้วท่านสามารถลงทะเบียนได้ใหม่ในวันต่อไป ระยะเวลาในการพิจารณาสิทธ์นะคะก็คือว่าข้อมูลที่ท่านกรอที่ท่านลงทะเบียนก็จะถูกส่งไปตรวจสอบความถูกต้องกับกรมการปกครองค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วธนาคารกรุงไทยก็จะส่งอีเมลและ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ภายใน3วันพร้อมแจ้งรายละเอียดจังหวัดระยะเวลาและวันที่สามารถไปใช้สิทธิ์ให้ทราบ แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ทางธนาคารกรุงไทยก็จะแจ้งให้ทราบเช่นกันแต่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ใหม่นะคะสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็สามารถที่จะเลือกจาก App Store หรือ l a y Store ได้นะคะก็จะเช่นเดียวกันก็คือจะตั้งสแกนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอข้อมูลตามหน้าบาัตรมีการเซลฟี่ใบหน้าตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วก็รหัสยืนยันการทา ธุรกรรม OTP 3ตัวนะคะระบบก็จะแจ้งวงเงิน 1,000 บาทนะคะในเป่าตังค์ช่องที่1ก็จะใช้งานได้ทันทีนะคะส่วนเป่าตังค์ช่องที่2ก็จะต้องมีการเติมเงินและนำไปใช้จ่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยนะคะเพิ่มขึ้น 15% เซ็ของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 30,000 บาทแต่ว่า 15% เเซนี้จะไม่เกิน 4,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะที่ทอทอ ท, ทนะคะ1672ช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาพบกับมุมมองข่าวช่วงต่อไป ฉันจะเป็นเช่นไรทำแม่คนเราเลือกเอเองได้ตามหัวใจความรักแบบไหนที่หัวใจรีกรองต้อง วันจนมือวันที่เธอบอกว่ารักกันแค่เธอรักฉันแค่เธอรักฉันแค่นั้นที่ใจต้องการแม้วันเวลานิ่ น, นๆพียงใดแค่เธอรักฉันแค่เธอรักฉันอย่างนี้ทุกวันเรื่อยไป คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะทั่วโลกเนี่ยนะคะก็เกิดในเรื่องของพายุนะคะพายุฝนพายุลูกเห็บต่างๆมากมายนะคะรวมไปถึงคาบสมุทรฮันกิดิกินะคะซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนเหนือของประเทศกรีซซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับโรงแรมร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะและที่คาบสมุทร ฮันกิดิกิของกีสนี่นะคะคุณผู้ฟังเป็นบริเวณที่มีที่ตั้งของโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทสุดหรูที่สวยงามมากปรากฏว่าพายุฝนและพายุลูกเห็บเข้านี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า7รายนะคะจำนวนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ6กรายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย100คนนะคะจนทางการกีสต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและเร่งเข้าไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนด้วยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประเทศกรีซก็ได้เชิญกับปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนนะคะทำให้มีอุณหภูมิสูงถึง37องศาและหลายๆฝ่ายนะคะก็ไม่ทราบและไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดพายุลักษณะเช่นนี้มา ก, ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะภายหลังนะคะเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะคะนักท่องเที่ยวก็ได้กลับมาทำกิจกรรมอาบแดดบริเวณริมชายหาดตามปกติแต่ว่าซากความเสียหายก็ยังกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ค่ะ ส่วนที่ประเทศอเมริกานะคะที่เมืองนิวออรีนในรัฐลุยเซียนาก็กําลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงโดยนะคะได้มีน้าท่วมสูงนะคะแล้วก็ถลักเข้ามาท่วมสถานที่ต่างๆภายในเมืองทําให้ถนนหลายสายเนี่ยต้องเป็นอมพาทเพราะว่าไม่สามารถที่จะสัญจรได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติก็ยังได้เตือนภัยนะคะในเรื่องของพายุโซนร้อนที่กําลังเกาะตัวอยู่นอกชายฝั่ง บริเวณอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็กำลังที่จะพัดเข้ามาทำให้เกิดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอีกนะคะและทางการก็ได้ประกาศเตือนภาวะฉุกเฉินด้วยนะคะรวมไปถึงแนะนำให้ประชาชนเตรียมรับมือกับการกักตุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆและยังประกาศอพยพประชาชนอีกด้วยนะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงค่ะ เพราะว่านะคะเรื่องของพายุเฮอริเคนเนี่ยถ้าเข้ามานางด้านของอ่าทางภาคภาคภาคใต้นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะค่อนไปทางอ่าวเม็กซิโกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะ และนอกจากนี้นะคะที่ประเทศอิตาลีนะคะก็ยังเผชิญกับภัยธรรมชาติน ะ, ะทั้งสองฝั่งของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคว้นซิซิรีนะคะที่เผชิญกับไฟป่าและชายฝั่งทะเลแอร์เนียติกที่เผชิญกับพายุฝนและพายุลูกเห็บเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงประเทศจีนนะคะที่มณฑลหูหนานเจียงซีและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงนะคะก็ต้องประกาศอพยพประชาชนให้ออกจากพื้นที่อุทกภัย และประเทศบางคราเทศนะคะก็ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักอีกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็มีแผ่นดินไหวนะคะรวมไปถึงที่อินโดนีเซียนะคะก็มีแผ่นดินไหวเช่นกันภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้นะคะคุณผู้ฟัง ก็มีความสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่ได้ออกมาระบุว่าประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในยุคที่จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นทุกๆสัปดาห์ซึ่งหลายๆเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะบางครั้งเนี่ยการเตือนภัยนะคะหรือการแจ้งข่าวเนี่ยอาจจะไม่ทันท่วงที จึงเรียกร้องนะคะให้นานาชาติตื่นตัวและร่วมมือกันที่จะแก้ไขหรือออกมาตรการเพื่อป้องกันอย่างจริงจังค่ะและในรายงานของสหประชาชาติยังระบุอีกนะคะว่ารัฐบาลในแต่ละประเทศควรมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการก่อสร้างอาคารต่างๆให้มีความแข็งแรงมีความมั่นคงทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆได้ค่ะ และการช่วยเหลือหลังเหตุการณ์ต่างๆบางครั้งนี่อาจจะสายเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันนั้นบางครั้งก็มีจํานวนน้อยกว่างบประมาณที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูอีกมากค่ะและดิฉันก็มีข่าวจากจังหวัดอุบลราชธา น, นีนะคะในเรื่องของการรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะ สามารถที่จะรับบริจาคได้นะคะที่จุดรับบริจาคสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ 045344635-7 045344635-7 โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของมงุ้งเต็นนอนนะคะยาทากันยุงยาทาน้ำกัดเท้านะคะห้องน้ำชั่วคราวแล้วก็อาหารสัตว์สุนัขแมวค่ะ เราไปกันที่ข่าวของการศึกษากันบ้างนะคะสำนักข่าว BBC รายงานจากนิตยสารชาม์ไ h เอ e ร์เอดูเคชัก็ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยายลัยระดับโลกปี2020จากเกือบ 1,400 แห่งใน92ประเทศนะคะซึ่งทางด้านนิตยสาร Time Higher Education ก็ได้มีการจัดอันดับทุกปีโดยเขาคัดเลือกจากคุณภาพด้านการสอนผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัยรายได้และภาพลักษณ์ระหว่างประเทศค่ะพบว่านะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ยังคงคว้าอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นปีที่4ติดต่อกันโดยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ยังครองอันดับสูงสุดในการจัดอันดับรองลงไปนะคะ7อันดับใน10อันดับแรกและ60อันดับจาก200อันดับแรกค่ะ เรามาดู10อันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกปี2020นะคะก็ได้แก่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่สหราชชาณนจักค่ะส่วนอันดับ2นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ก็คือมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์อันดับที่4คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ มหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยชิคาโกอันดับ4ถึงอันดับที่9อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะส่วนอันดับที่10อยู่ที่สหราชชันาจักรคือ i m p e r i a l College London ค่ะ การวิเคราะห์การจัดอันดับนี้นะคะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยหลายๆท่านนะคะถึงคิดว่าทําไมถึงจะต้องมีการจัดอันดับนะคะก็เพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณนะคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสหราชอาณาจักรเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะคะสาแห่งนะคะคือสามเหลี่ยมทองคํานั่นคือ มหาวิทายาลัยออกฟอร์ดมหาวิทายาลัยเคมบริดจ์และ Imperial College London นะคะที่ทั้ง3แห่งนี้นะคะถากว่าทำสิบอันดับทั่วโลกเนี่ยทั้ง3าแห่งนี้ก็จะต้องติดอันดับทุกครั้งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะและมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็ส่งสัญญาณนะคะจากการติดอันดับ200ออันดับแรกนะคะที่ลดลงนะคะก็จะเป็นนะคะที่ มหาวิทยาลัยนะคะเยอรม น, นีนะคะก็ถือได้ว่านะคะเป็นการแข่งขันกันพัฒนาทางด้านการศึกษานะคะในเรื่องของการจัดอันดับนี้ค่ะสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ยังเตือนว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอาจได้รับผลกระทบและเสียเปรียบนะคะจากมหาวิทยาลัยในเยอรม น, นีเพราะว่าที่เยอรม น, นี มีเรื่องของเงินสนับสนุนการวิจัยแต่นะคะถ้าสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรปในกรณี b บร็กซิสสหราชอาณาจักรก็จะไม่สามารถร่วมวิจัยกับประเทศในสหภาพยุโรปได้คะ่ะและตำแหน่งในหัวข้อของการจัดอันดับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะสำหรับ มหาวิทยาลัยในเอเชียนะคะอย่างจีนและญี่ปุ่นก็ถูกจับตามองนะคะเพราะว่าสามารถที่จะไต่อันดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในอิหร่านก็กลายเป็นมามืดในการจัดตารางอันดับในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเลื่อนจากอันดับที่40เป็นอันดับที่29ค่ะสําหรับมหาวิทยาลัยของไทยนะคะก็ได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจาก14แห่งเพิ่มขึ้น อีก2แห่งเป็น16แห่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยมหิดล น, นะคะสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ในการจัดอันดับที่800อเอ็ดนะคะจนถึง1000ค่ะส่วนมหาวิทยาลัยอีก13แห่งนะคะอยู่ในอันดับที่1000อัพนะคะก็ได้แก่ ม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัาายขอนแกน่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัฐกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมหาวิทยาลัยนเรศวรสงขาาลานครินทร์ศิลปากรสีนครินทร์วิโร์เทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็น16แห่งจากการจัดอันดับนะคะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสภาพรในการรายงานภาวะของสังคมไทยในไตรามาสสองนะคะปีนี้นะคะหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือคนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านหนังสือนานขึ้นในขณะที่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออกและขาดทักษะในการอ่านคะ่ะพบว่าในปีสองรคนไทยมีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไป อ่านหนังสือและอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 78.8 ล้านคนและใช้ระยะเวลาในการอ่านเฉลี่ย80นาทีต่อวันแม้โดยภาพรวมการอ่านของคนไทยจะดีขึ้นในแง่จำนวนคนอ่านและเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะคือประชากร 21.2 เซประมาณ 13.7 ล้านคนไม่อ่านหนังสือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเด็กเล็กอายุต่ำกว่าปี 24.8% เอร์เซหรือประมาณ1ล้านคนไม่ได้อ่านเพราะถูกมองว่าเด็กเกินไปและ 1.5 แสนคนอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ข้อที่3ค่ะเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีประมาณ 7.3% เปอร์เซหรือประมาณ5 0 0แสนคนอ่านหนังสือไม่ออกอ่านไม่คล่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขทั้งในด้านหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนและข้อสุดท้ายนะคะเด็กไทยยังขาดทักษะการอ่าน โดยพิจารณาจากผลประเมินพิซซา2000จนถึงพิซซา2015พบว่าในกลุ่มนักเรียนอายุ15ปียังมีปัญหาเรื่องทักษะการอ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่4 0่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติและต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ในฉันมองว่า ทุกบ้านนะคะควรจะต้องใส่ใจนะคะให้บุตรหลานนะคะได้อ่านหนะังสือมากขึ้นนะคะแม้เพียงวันละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ตามนะคะสําหรับการอ่านหนังสือทั่วๆไปนะคะเพื่อที่จะได้มีทักษะในการอ่านดีขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่รวมกับการเขียนนะคะหลายๆ หลายๆแห่งนะคะก็ยังพบว่านะคะเด็กไทยในะเขียนหนังสือผิดผิดนะคะก็มีอีกทีเดียวนะคะก็ต้องฝากเอาไว้เพราะว่าเราเป็นคนไทยถ้าหากว่าเราใช้ภาษาไทยนะคะทั้งเขียนทั้งอ่านไม่คล่องนะคะก็จะเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองคุณผู้ฟังหมดลงแล้วคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ รายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม